ทีนี้พวกพวกนา ม, มาทำรูปธรรมเหล่านี้เนี่ยตัวที่มีบทบาทในภพใหม่ที่สุดคือสังขารที่เรียกว่าเจตนาอันนี้เป็นกรร ม, มาภพใช่ไหมเพื่ออะไรเพื่อให้มีจักรผูกใหม่เนี่ถ้าได้ตาไปอย่างเดียวนละเดี๋ยวที่เหลือเอาไปหาสีเอาดูที่อินเดียอย่าลืมเอาตาไปด้วย <c oughs> เพราะถ้ามีตาอย่างเดียวนะของเก่าสมบัติชาติที่แล้วมาเนี่ยที่เป็นผลบุญผลบาปมาก็คือตาที่เหลือก็มาหาดูเอาข้างหน้า นะครับมมาไม่ต้องพรกรูปมาจากเชียงใหม่เลยนะพอมาดูเอาที่กรุงเทพเนะี่ยกลับเชียงใหม่ก็เอาแต่ตาไปก็ใช้ได้แล้วไปดูต่อที่รุ่น <g> ก <ül üyor> ็ก็อยู่อย่างเงี้ยเพราะั้นทํากรรมเพื่อให้มีตาเมื่มีตาอย่างเดียวแล้วอย่างอื่นตามมาหมดแต่ละทาวารก็เป็นอย่างเงี้ยเั้นทุกครั้งนะถ้าถ้าพูดอีกในหนึ่งทุกครั้งที่คุณลืมตาคือคุณสร้างตานะถ้าพูดแบบย่อๆเลยนะพูดแบบสรบุปเพราะพวกเนี้ยมันเป็นตัวขยายวตาหมดเลยแล้ว พวกนามธรรมทั้งหลายเนี่ยนามธรรมเหล่านี้เนี่ยเป็นวัตถุแห่งอวิชชาเป็นวัตถุแห่งความลุ่มหลงตากับรูปเป็นวัตถุแห่งตัณหาเป็นวัตถุแห่งความติดข้องเพราะนั้นก็ออวิชชาแก้ด้วยวิปัานารูปพวกนี้เป็นที่ตั้งแห่งตัณหาก็แก้ด้วยสมถะนะก็ศึกษาพระธรรมที่ตรงกันข้าม อะไรนะปริวัติณนะใช่ไหมคลิกกลับไปเนี่ย น, นะเพื่อจะมองเห็นทำที่ตรงกันข้ามกับอวิชชาและตัณหาคือที่ยกมากล่าวซ้ําเนี่ยเพื่อเพื่อจะให้เราว่าทํายังไงเราจะมาคิดในสิ่งเหล่านี้ในชีวิตที่เป็นจริงโดยที่เรียกว่าไม่ต้องไปสงสยัยอันนี้เป็นนามไหมอันนั้นเป็นรูปไหมอันนี้เป็นสัญญาหรือเปล่านั่นเป็นเวทนาหรือเปล่าซึ่งซึ่งมันไม่พอจริงๆเพราะอาวิชชาพวกนี้ถือว่ารู้กันอยู่แล้วเนี่ย น, นะเพราะทุกคนมันมีในตัวอยู่แล้วเนี่ย น, นะก็ เพียงแต่ว่าจำสูตรให้ได้แล้วมันมาม า, มาตรึกมาสาธยายมาใคร่ครวรจำไม่ได้ก็าสาธยายวิมุตตา ย, ยตะนะมีตั้งห้าใช่ไหมหนึ่งฟังสองแสดงเออไปเล่าให้คนอื่นฟังบ้างเลือกการหน่อยนะสามสาธยายสี่ตรึกห้าก็ว่างๆเจรญสมาะาตัวใดตัวหนึ่งบริหารกรรมฐานให้ประจําพวกนี้นะแค่ ถ้าเอ่อสี่คำเนี่ยเพียงพอแล้วที่จะเข้าใจสิ่งนี้ขอให้ใช้ให้ครบสูตรเถอะเนี่ยนะทีนี้ถามมาแสดงเนี่ยนะไม่ต้องไปเล่าให้ใครฟังหรอกลองเขียนรายงานดูเดี๋ยวจะให้อาจารย์สันติช่วยตรวจให้ก็ได้เขียนเลยค่ะเนนะีทีนี้ถามว่ามันฟุ้งเกินไปที่จะมาพิจารณาสิ่งเหล่านี้ก็ท่องอิติปิโสไปพลางๆไปก่อนแต่เชื่อไหมถ้าพื้นฐานพวกนี้ไม่แน่นนะ พอมาไม่รู้จะพูดอะไรต่อไปเลยไหยพูดตรงๆเลยนะไม่รู้จะแนะนําอะไรมันยิ่งขึ้นไตวันนี้เหมือนอะไรนะเหมือนอย่างว่าก็บอกไปนับดูซิมีกี่คนชื่ออะไรบ้างเานับก็ไม่ครบคนด้วยแล้วก็ไม่รู้จักชื่อใครเป็นใครนะแล้วเราจะบอกต่อไปบอกคุณไปช่วยบอกคนนั้นให้ไปหาคนนั้นให้ไปหาคนโน้นทีซิเรื่องยาวเลยสงสารคนบอกเลยจากขู่เนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งการหายยังไงบอกว่า ตาคนอื่นเนี่ยนะสู้ตาเราไม่ได้ตาเราดีกว่ามานะใช่ไหมปกติเนี่ยการหากับมานะจะมาคู่กันหรือถ้าเป็นจักขู่ภายนอกนะใครยังบอกอู้ตาทาไมสวยจังเลยก็มองเห็นความสวยของตาโดยส่วนเดียวเนี่ยนะก็เรียกว่านั่งดูตาได้ตั้งนานไม่รู้เห็นอะไรก็ไม่ทราบก็ความชอบใจในการดูดูไม่เบื่อเป็นต้นเลยนะก็ดูตอนแรกๆนะ ตัญหาก็เกิดขึ้นเพราะเป็นวัตถุแห่งตันหาสีบางอย่างเนี่ยเราไม่เบื่อในการดูเลยนะสีทั้งหลายเนี่ยไม่เบื่อในการดูจริงๆดูแล้วดูเล่าดูภาพแล้วภาพเล่าภาพแล้วภาพเล่ า, แ ล, า แ, ลแล้วคิดยังไงให้เป็นสมถะที่ตรงกันข้ามปาัญหาเนี่ยเป็นความยึดสมถะคือความคลายคิดยังไงจึงจะคลาย น, นะแล้วก็มาลองดูวิธีการว่าคิดยังไงจึงจะคลาย วิธีหนึ่งก็คือหนึ่งหาองค์ประกอบมาลองมาค้นหาองค์ประกอบที่ ว, ว่าจักขคูมีอะไรบ้างรูปมีองค์ประกอบอะไรบ้างค้นหาองค์ประกอบก่อนเช่นว่าจักรคูเนี่ยเป็นอะไรนะจักรคูทัศกะใช่ไหมของเราเนี่ยไม่ต้องตรึกเองหรอกเพราะว่าสูตรเขาบอกไว้ชัดเจนอยู่แล้วคิดตามอย่างเดียวจักรคูทัศกะลสองมีอะไรอีกกายทัศกะลสามภาวะทัศกะ อะไรอาหารอาหารอาวินิพกเรูแปดจิตอวินิพกเรูแปดอะไรปูโตปิสแปดก็เท่ากับห้าสิบสี่รูปทีนี้ห้าสิบสี่รูปเนี่ยนะถ้าเราจะมองจนจนละตันหาได้ก็มานึกนึกว่าจากักขุทศกะกายทศกะภาวะทศกะเนี่ยเป็นผลของอะไร ผลของกรรมคืออุปัชฌะกับอปรากปริยะเวทนิยกรรมมากรรมพวกเนี้ยเป็นชนะกรรมชนะกรรมมานำเกิดทีนี้มันมีกรรมที่เป็นอะไรทิฏฐธรรมทิฏฐธรรมมาอะไรมาปีละนะมาอุปธรรมก็ได้ก่อนนะทิฏฐธรรมมาเวทนิยกรรมเนี่ยเป็นตัวที่มา โอปะทำเห็นไหมทิฏฐธรรมะเวทนิยกรรมมาโอปะปีละกตกรรมทิฏฐธรรมะเวทนิยกรรมมาให้ผลเป็นโอปคาตะได้ไหมเห็นไหมตัวที่สร้างตาเนี่ยเป็นผลของอุปชากับอัปปราประเวทนิยกรรมแต่ตัวมามาอุปรธรรมมาเบียดเบียนมาฆ่านะเป็นทั้งทิฏฐธรมรมอุปะชาเวทนิยกรรม อัปราปรยะเวทนียกรรมได้หมดเลยถามว่าเมื่อตานี้มันอาศัยอยู่ด้วยกรรมอย่างนี้อะมันแน่นอนสักแค่ไหนใช่ไหมแน่นอนสักแค่ไหนทีนี้ตาเนี่ยมันมีอะไรเป็นเหตุไปพูดง่า ย, ายๆปัทวีอาโปเตโชวายโยพวกนี้ก็คือมหาผู้ดีๆนี่แหละเลี้ยงเชื่องไหมไม่เชื่องเพราะว่าเดี๋ยวมันก็กัดเอา ทำไปทำมาเดี๋ยวต้อมันก็โผล่ขึ้นมาแล้วเมื่อวานไปที่ร้านแว่นไปดูเขาก็ไล่ให้ไปอยู่ในห้องเราก็เลยไปดูรูปตาเลยแล้วก็มีตาต้อกระจกต้อหินต้อตาโอ้สรารพัดตาให้เราดูเราก็เลยนี่นะจักขโคจักขโคสมุไทยจกักรโนิโรจกักรโคนิโรทักษ า, ามนินีปฏิปทาอัศธ า, าแห่งจักรโคก็่าปไปนะเพราะจากักรโคทั้งหลายเนี่ยนั้นอย่างมันอาศัยกายยถาสกัอยู่บางคนนี่ลืมตาแทบไม่ขึ้นเลย ตาเห็นจริงแต่ว่ามันแสบกายอ่ะเพราะตากับกายมันอยู่ด้วยกันอยู่ใกล้ๆกันแล้วภาวะล่ะก็อยู่ด้วยกันทีนี้รูปทั้งหลายก็ต้องอาศัยอาหารถ้ากรรมมาดีอาหารดีแล้วจิตที่เป็นสมุทฐานนุทัตมองด้วยโทสะล่ะถามว่าตาอันนี้หน้าที่สวัสดีตอนใดทะลึงตามองปั๊ดเลยไงนะโอ้ยครั้งเดียวในจําจนตาย มันก็เพราะตาเนี่ยถ้าสมมติถ้าโทสะเป็นสมุทฐานล่ะถ้าโมหะเป็นสมุทฐานล่ะถ้าราคะเป็นสมุทฐานล่ะถ้ากุศลจิตเป็นสมุทฐานก็จะรู้ว่าตาอันนี้นี่ไม่ธรรมดาเพราะสุดแท้แต่จิตที่เป็นสมุทฐานแล้วอาหารสมุทฐานล่ะแล้วอุตุล่ะทีนี้อุตุมันมีอุตุภายในกับอุตุภายนอกภายในเนี่ยเช่นความดันของลูกตาเนี่ยเราถามว่าเอาแน่เอานอนได้ไหมไม่ได้ แล้วภายนอกนะอุะตุภายนอกนี่คิดหรือสมมติว่าอากาศเย็นเกินตายตาจะเป็นยังไง ร, ร้อนเกินตาจะเป็นยังไงแสงรับไปรับแสงเต็มที่เลยนะโกรธ ด, ดวงอาทิตย์มองสักครึ่งชั่วโมงบอดตั้งแต่สองนาทีแรกแล้วนี่นะเป็นต้นแล้วถามว่าหินทุกก้อนเนี่ยนะมันนึกกระโดดเข้าโดนตาได้ไหมได้รถทุกคันเนี่ยวิ่งมาชนตาเราพอดีเลยอย่างเงี้ยได้หมดนะเคยเห็นคนตาบุบไหมนั่นแหละ เพราตาเนี่ยพร้อมที่จะเป็นได้ทุกอย่างเลยนะัน้นถ้ามองตามสมุดฐานมองตามปัจจัยเหล่านี้แล้วก็ถามว่าไอความยึดถือทั้งหลายสงบไหมก็สงบถ้าไม่สงบจริงๆก็ไปดูตาที่เสียหายแล้วเป็นเครื่องเปรียบตานั้นฉันใดตานี้ก็ฉันนั้นตาภายนอกฉันใดตาภายในก็ฉันนั้นตาในอดีตฉันใดตาในอนาคตก็ฉันนั้นก็ดูเปรียบเทียบคูณการสามอดีตอนาคตและปัจจุบันเนี่ยนะ อย่างตาใสๆจะใสได้สักกี่ปีเนี่ยนะแล้วสีทั้งหลา ย, ยาสีที่ที่ศัตว์ทั้งหลายติดก็มีอะไรผมขนเล็บฟันหนังถ้าผม่ะอผมมันเปลี่ยนสีได้ไหมดูแลแค่ไหนนะภาระในการดูแลเส้นผมเนี่ยมันเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนเนยขนเนี่ยเขามาเช่นคิ้วหนวดเครา ขนตามร่างกายทั้งหลังเนี่ยดูแลภาระขนาดไหนเล็บล่ะเคยเล็บขบไหมความเนี่ยแปรงฟันวันละกี่รอบแล้วมันขนาดนั้นมันยังหลุดเฉยอะไรอย่างไงเนี่ยนบางทีเห็นยิ้มยิ้มฟันเต็มปากนี่ไนมะ่ใช่ของแท้สักเท่าไหร่แล้วผิวหนังล่ะเนี่ยตาโจล่ะนะมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆก็มาพิจารณาถ้าสีคือผมขนเล็บฟันหนังผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยนะแล้วถาม์มาพวกนี้มันหุ้มอะไรอาศัยอะไรก็อาศัยเนื้อ อาศัยเนื้อแล้วเนื้อนี้เชื่อได้แค่ไหนน่ะเนื้อก็ต้องอาศัยเอ็นยึดอีกครั้งหนะึ่งเอ็นก็ต้องยึดกับกระดูกกับเนื้ออีกทีแล้วกระดูกในใจขนาดไหนว่ามันแข็งมากนะก็ถ้าผู้หญิงก็บอกว่าอายุมากๆขึ้นเพราะแบ่งกระดูกไปให้ลูกใช้บ้างแล้วแคลเซียมมันจะลดลงกระดูกโผล ง, ง่ายนั่นก็ให้ระวังอย่าล้มล้มแล้วจะเดือดร้อนอนะแล้วกระดูกแล้วก็ต้องอาศัยเยื่อในกระดูกทีนี้พวกมีองค์ประกอบเหล่านี้ดีก็ต้องอาศัยหัวใจอีก ถ้าหัวใจมีปัญหาอะไรจะเกิดเนนะทีนี้หัวใจไม่พออาศัยตับนะลำบากไปถึงตับพังผืด ม, ม้ามปอดนีนะถ้าพวกนี้ดีหมดไปหามีปัญหาลำไส้อีกตั้งกต่หลอดอาหารไล่ไปถึงทวารหนักนะอาหารพวกลาไส้ใหญ่แล่สายรัดไส้เนี่ยมันก็เริ่มมีปัญหาขึ้นแล้วอาหารใหม่ที่ทานเข้าไปมีปัญหาไหมอาหารเก่าที่บริโภคเข้าไป แล้วมันสมองในกระโหลกศลีรษะล่ะเอาเอาได้หรือว่ามันไม่ฝ่อเอาได้หรือว่าเส้นเลือดอยู่ในนั้นมันจะดีมันจะไม่พยศอย่างเงี้ยนะ <S <S เดี๋ยวมันเกิดเส้นเลือดแตกนิดเดียวแค่นั้นที่เหลือได้เลยเอามาพลึกไปครึ่งตัวอย่างเงี้ยหรือเอามาพาดเลยอย่างเงี้ยเชื่อมันมากก็ไม่ได้เนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยในกระดูกตยอย่างหัวใจตับทางผืดนม้ามปอดลำไส้ใหญ่ไส้น้อยลำไส้ใหญ่สายรับไส้อาหารใหม่อาหารเก่าน้ําดี อ่ะนะติดตังอ่ะนะถ้าน้ําดีอ่ะนิ้วในน้ําดีถุงน้ําดีก็มีไม่ใช่น้อยอ่ะนะติดตังเสมหะน้ําขับหลังเนี่ยนะถ้ามากเกินไปถ้าน้อยเกินไปปวดโพอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นหนองก็ร่างกายเนี่ยพร้อมจะเป็นหนองได้ทุกแห่งเลยเขาบอกว่าที่ใดที่เลือดหรือธาตน้ําขาดการไหลเวียนพร้อมที่จะเป็นหนองได้ทุกแห่งอนะก็ปวโพโลหิตตังเลือดอ่ะแล้วเลือดกําเริบได้ไหมเสียเลือดได้ไหม แล้วก็เลือดนี่ในโลกเนี่ยโรคที่เกี่ยวมากับเลือดอ่ะก็ตั้งเยอะแยะเนยนะกุโพน้ำเหลืองเนยะโลฮิตังเลือดเสโทเงือเมโทมันค้นอสุน้ำตาเขโลน้ำลายสิงคานิกาน้ำมูกลาสิกาไขาข้อมุตังปัสสวะเนี่ยนะก็พวกนี้แต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยโครบได้ที่ไหน โดยเฉพาะอุจาราปัสสะเนี่ยนะคนเขาบอกโอ้รังเกียดห้องน้าเยอเกินจริงก็ไปด้วยมานะไปไหนก็เอาไปด้วยบอกว่าเดือดร้อนเรื่องนี้มากทีจริงอะ่ะถ้าไม่มีกายนี้นะไอ้พวกนั้นไม่ปฏิกูลหรอกเพราะภายในนั่นแหละไปทําให้ภายนอกปฏิกูลหมดแล้วบอกแต่ภายนอกปฏิกูลจังเลยใช้ไม่ได้ที่ไหนได้ไปด้วยกันนั่นแหละ